บางคนมันบอกมันมันก็น ง, ง่ายไม่จำเป็นอธิบายมากก็ ค, ค, คือการกระทามันมีอยู่นะมันเกิดไม่ใช่อันเกิดอย่างนั้นมันเกิดขึ้นกับจิตมันจะรู้จิตมันไม่รู้ถือไม่รู้รู้ความความจำคือมันรู้มันรู้ความจริงคือเราไปประกาศให้หาความจริงไม่ใด้ไม่ใช่ไปาหาความจำํำนะโดยมากเราไปประกาศโดยไปพูดจะ ม, มีความจํามากกว่า มันเปิดปิพก็จริงไว้ถ้าความจำแล้วมากนกสะวายถ้าควจริงมนกระวนกระวายแต่ว่าต้องทำคือคือมันมีใค่แค่มาเท้าน้เนี่ยแล้วจะเปิดช่องน้ำออกทีเดียวเยนี่ไม่มีที่ออกนะแครับที่อื่นไม่มีที่ไหลออก้วมันจะเอียงไปตรงนั้นก็ออกไม่ออกเพราะมันไม่มีรูครับและการคำสอนแนะนำของคนัวนี้เนี่ยมันไปตัวนั้น พยายามทำจิตมัให้ม like ันไปตรงนั้นทำอย่างนี้มันจะไปตรงนั้นยัางจะซื้อไปคว่านอะไรเราเปิดยังไงทำอย่างนี้มันจหว่างไปเลยทำอย่างนี้มันมีขมือมันมีไปเตอมันมีบัคคภาอยู่ในมัะบวนการจิตเวลาไปทาอะน้ำเนี่ยมันปฏิสัมงนับเงินมันก็ไม่ไปมันไม่มีทางน้ำไม่ไปนั่นเราบอกเราทยเลยนบเราทำเไยนะ เมื่อนที่นี่มันอ้ามัวไรออกโฟมันอนอ ก, อ, นนก อ, อย่างนี้เองทีนี้มันก็รูนเรื่องเรื่องมันการดินทางก็ต้องทําอย่างนี้มีหลักอันนี้อยลอแล้วมันก็หลักที่สองนะมันก็ไม่ยากเราได้หลักขั้นแรกคือใจรู้จักว่าอย่างคนไทยนะพวกท่านจะทำอย่างการภาวนาจะทําอย่างไรจะทําให้มันเป็นไปอย่างไรก่อนอย่างนี้ต้องรู้เรื่องกันก่อนตอรานั่งสมาธิสงบอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างไร ว่าสงบแล้วมันจะเป็นยังไงมันให้มันเป็นไปในรูปไหนอย่างนีที่บริจักแต่ความเป็นจริงไงความสงบมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็พบความสงบนั่นแหละเมื่อพบความสงบขึ้นมามันก็แปลกแปลกกับที่ไม่สงบอันนั้นอะไรมันดินแล้วจิงอันนี้ก็เลยว่ามันไม่ควรจะเป็นไปได้เป็นเป็นได้เห็นมันนั่งรับตาเนี่ยมันคิดอย่างนี ดับตามีประโยชน์อะไรจะลืม ต, ตามันยังไม่เห็นด้วยเดี๋ยวถ้าได้ดับตาจะดูอะไรเพียงอย่งเริ่มตาเราคิดไปสิไหนดับตามันจะเห็นอะไรไอ้ความมีจริงยิ่งดับตามยิ่งไกลไกลเลยนะ่ะน้องลองนื่ง ด, งดับมันมันมันยิ่งไกลไกลเลยนะริืมตาจะเห็นแค่ไหนนะท น, นั่นเรียกว่าหาตาในออหาตาในหาตาข้างในต้นเกิดปัญญาในหลายอย่างเองแบบมันเป็นงี้ เก ares, ิดของมันเช่นว่าอถ้าเราทําไปมันเกิดจากนี้ขึ้นมามัเกิดจากนี้ขึ้นมาเราบอว่าอันนั้นอย่าไปนสนใจอย่าไปสนใจผ่านไปถ้ามันเป็นนี้อันนี้ก็ไม่ต้องสนใจผ่าไนไปไม่ต้องสนใจมันจะเกิดอะไรมาเมื่อเกิดได้หลายอย่างผ่านผ่านไม่ต้องผัานพิ้งมัไปนี่นีเช่นว่าทางถนนสายนี้เนี่ยเช่น เส้นหนึ่งแดงเนี่ยเดินตรงไปนี้นเดินนไปข hmm. ้างม่ต้องการอะไรเดินไปตามขนสายนี้ถ้าเราไปเจอคอหินก่อนมัจะเมันข้อของใจกทางในชะ่ไอ hmm. ไปเจอทนไหวถ้ามันจะเป็นข้อของใจกทางในชะ่ไเพื่อเราไม่ต้องการนี่แล้วก็เดินทางเราด้วยเหนื่อยไม่ถึงจถึงที่สุดเลย hmm. ไอสิ่งที่ควรู้สึกนึกคิดปรามประ ร, ระได้หายอย่างซึ่งวันเป็นเหตุให้เรางสงสัยอยู่นี่แล้บก อันนี้เราส้องตัดป็นตอว่าอันนี้ไม่สํำคัญอันนี้ไม่สำคัญอารมณ์เออารมณ์มันเกิดได้ย่างเห็นว่าเราจะมาวัดต้องประพงนี่เป็นต้นควจะมาถึงวัดประพงศ์ในทางวันนี้ไรสายนี่มีประช่างมันระฆัามันอะไรรไม่ต้องการอออารมณ์ระย่างนกันเราจะทําให้มันสงบอารมณ์ที่ไม่สงบมันเกิดวนเดี๋ยวมันเกิดกับเราอย่างเราจะมาวัดต้องประพงศ์นี่เป็นต้น ไอ้ทางมาวัดหลวงปู่คงนั่นมันมีหลายสายที่มันผ่านกันอยู่เนี่ยใครรู้จักว่าไอ้ทางผ่านนั้นอะไรตัผ่านมันไป เ, เนนี่ไม่ต้องไม่ต้องสนใจไปเส้นนี้อย่างนี้เป็ดอ้นีนี้ว่าตัดอารมณ์อารมณ์อยากคิดว่านางทุกแม่คิดแต่เราเริ่มรู้สกเป็นยันาะไม่รู้อะไรเนาะมันจะเห็นอะไรรนาอยัางงี้ตัดไม่ออกเลยตรงเนี้ยเกกาทางเขาเฉยๆเช่นนี้เป็นต้น ทำกิจแต่มันตัดมันออกมันจะรู้อะไรเนอมันจะเห็นอะไรเนอมันจะเป็นยังไงเนอเนี่ยถ้าเรานั่งมันชอบจยากคิดอย่างนี้เนาตัดมันอกอันนี้ไม่ใช่อยากขึ้นไปศึกษาอันี้ไม่ใช่หน้าที่เราจะศึกษารเราศึกษารเราเรียู่ควรอะไรไปด้ยมีอะไรไหมไม่ต้องการใช้ไหมเยี่ยมยอดเห็นว่าการนั่งสมาธินเนี่ยเมื่อกินเราวุ่นวายอยู่เป็นปกติกินของเราเราจะนั่งให้มันสงบอย่างนี้นั่งให้มันสงบอย่างนั้นมันก็ยังวุ่นวายอยู่ เพราะว่ามันเคยวุ่นวายมาแล้วนั่นคืออโรมเก่าเนี่ยเมื่อมันเคยวุ่ไวายเสร็จมาแล้วเราบอกว่าถ้ามันชินกระตามมันไปดูชินกับตามมันไปดูไม่ต้องอันนี้ขั้นนี้เราวมันต้องศึกษาอนี้เพราะว่ายังไม่เถึนขั้นจิตศึกษานี้เอี่ยเรตัดเตักระแสมันเรื่อยๆไปมีอารมณ์ ม, มาเราก็ทิ้งมันไปนี่เห็นไหแล้วนั่นนนงกําังดมหายใจเข้าออกอยู่เงี้ยเรื่อย นี่คือคือหน้าที่ของเราที่จะต้องศึกษาในปัจจุบันเดี๋ยวนี้ลงเข้าแล้วปรูลจัดลงขอกแล้วปรูลจักลงเข้ายาวรุ่งจักสั้นรุ่จักหยากเราก็รูลจักละเอียกรู่จักนี่หน้าศึกษาของเราตอนนี้เนี่ยเนี่ศึกษาเทนเนี้เนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อไปอันนี้อันนั้นยังไม่ศึกษาในเวลาที่ยังไม่ต้องพูดไม่ไม่ต้องพูดยังไม่ใช่หน้าที่ของเรา ที่นี่เป็นได้ยินนี่แล้วดได้ยินเสียงตัวยืดตเกีนเยนตัวผู้ก า, างอย่างแล้วูด เ, เราก็หดอย่างนนะอาจารย์แล้วว่ากำหนดนี่ทีนีเราหู้ราก็ได้ยินนี่นีู่้อยู่เยี่เราจะทำยังไงอ่ะอันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ได้ยินนะเราูมันนะเราจะจะคิดว่างไงตรงนั้ น, น <ะ S 1> เราคิดว่ามันเสียงมันมวนเรางงเงียครับรู้สึกมันจะวนจะผลองครับผมลอกิครับอย่างนี้เราคิดผิดนี่เราคิดผิดคนลำคานผิดความเป็นจริงก็ ไอ้ธรรมชาติมันจะบอกใครนะจ๊ะมันเสียงมันต้องฟูไม่ต้องพานด้วยเกินนะแล้วก็นี้ไปอยู่ตรงนั่นเสียไปอยู่ตรงนั่นก็สงบไปไปเสียงอืนมีมาอีกไม่ใช่เสียงจริงเสียงคนเขาคนอุปทานไปที่นั่นคนอุปทานไปนี่คนอุปทานไปที่มีแต่เสียงข้งนั่นเมื่อก็เกิดปัญหาขึ้นมาเอ้นี้มันเรื่องอะไรแล้วจะหนี้จากเสียงแค่นี้ไปตรงไหนเนาะมันจะเกิดขึ้นมาในเวลาที่เราทำเพียรยินเลย ไอ้ที่กาลังที่มันคิดอยู่เช่นนั้นนะบอกเขาเข้าใจว่าเสียงนั่นมันมาขวนเราถ้าเสียงมันข่วนเราก็จะสลายเราก็นึกว่าเราคิดถูกเมื่อทึกเมื่อนึกว่าเราคิดถูกแล้วคนนี้เสียงเงื่อยไปนี้ไปที่ไหนมันก็ต้องมีเสียงแม้เสียงของเราในตัวเรามันก็ยังมีอยู่ทําไปทําไปมันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกอ น, น, นี้เราไปกวนเสียงหรือเสียงมาข่วนเราเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้ จะมีปัญหากี่เห็นมานะแล้วเราคิดกับไปพีนาต่อไปกำนัดกับไปคูพบกวามจริงนะเราไปกวนเขา <c oughs> ไม่ใช่เขามากวนเราคิดเช่นนี้แล้วก็แก้ตรงนี้ไม่ไปแก้ตรงนั้นไม่ไปแก้เสียงแล้วแก้ตรงนี้โอ้เราไปกวนเขาเนี่ยเมื่อเราคิดเช่นนี้ไอ้ความรู้สึกตังนี้มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนจากที่หวังเสียงมากวนเราแล้วถึงแม้มันจะยินอยู่ก็ไม่ต้องพาน เออแก้ตงนี้มันจะแก่ตรง น, นั้นเสียงนั้นมันจะอยู่กันจะไปที่ไหนไม่มีเสียงเพื่อให้เป็นคนรูห่วกหรือจะปฏิบัติงานหรือเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนใบ้ยิ่งจะปฏิบัติอย่างเงี้เหรือม่ให้เสียงในรูปมีแต่ในโลกนี้หรือเราจึงจะปฏิบัติกันได้มันเป็นไปไม่ได้เออให้เรารู้เท่ากับเสียงนี่คืออะไรให้เรารู้เรื่องของมันเนะ่อเรารู้เรื่องของมันนะโอ้พบตัวจริงแต่ว่าเราไปปวนเขา เนี่นี่นี่มันก็มีทางแล้วเนี่ยถ้าเรารู้จักมันเราไปควรเพาเราคิดผิดไปฮะไม่ใช่เรื่องของเราแล้วก็ปล่อยให้มันดังไปก็ช่างมันมันไในควนเนี่ยเสียงก็จักก็ได้เสียงแต่มันคิดก็เป็นกิจเสียงก็เป็นเสียงอออารมณ์มก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแต่มันไปไปปนกันแล้วถ้าเรามันได้ฝึกได้ยินเสียงมามันก็ไปปนกันหมดยุ่งกันหมดนีอมันเรื่องของเราท่านไม่ใช่อย่างนั้นแล้วก็ปล่อยไม่เห็นยินมันก็ปล่อยได้ เสียงก็ดังอยู่แต่มันปล่อยเขาไมได้นี่มันจะเป็นในธํานองอันนี้ฉะนั้นอันนี้ปัญญามันจะเกิดทีหลังนี่จะรู้นี่แหละขนาดเสียงอย่างเดียวตอนนี้เราปฏิบั ต, ติอยากบางคนก็ลำบงการนี้เลิกบัตรไม่ได้ในความเป็นจริงนั่นมันไม่เกิอดอยู่ตรงนั้นมันเกิอดอยู่ที่เรานี่เราคิดผิดยังไม่เป็นสัมมายังไม่ชอบคิดไม่ชอบคิดผิด เมื่อคิดผิดมันก็เกิดผิดขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเสียงมันก็ยุ่งแล้วรูปก็ยุ่งเราอะไรมันยุ่งไปทั้งหมดเนาะเพราะเราเราไปขอกมันนีาถ้าเราลูกเรื่องขมันปล่อยตามธรรมชาติเราก็มีตัวตนไม่สวนไม่มีปนกันแน่ก็เราไปเห็นไหมอันนี้มันก็เป็นไรถ้าว่ามีคนอย่างอย่างที่มาศึกษาวันนี้ก็เข้าใจง่ายถ้าเราไม่ศึกษาอย่างนี้ก็เรียกว่าเราต้อเอไปนานไปเรื่อยแต่เสียงอยู่อย ไม่อยากจะให้มีเสียงเดี๋ยคิดว่าเสียงมันควรเราอยู่เรื่อยเรื่อยไปการปฏิบัติมันประเดืนองช้าถ้าเราม่ศึกษาเนี่ยเเมื่อเสียงมันมันดังงเสียทํางถ้าเรารู้จักว่าไม่ไม่ใช่ว่าเสียงมันมากวนเราเรามันไปกวนเขาชัดเย็นกัไปแล้วท่านนีดมันก็เบาเลยอะลูกบุรีเสียงบุรีกิ่นปุรีรถทุกอย่างเลยเรารู้อันเดียวมันรู้หมดเป็นลักษณะอันเดียวมันเลย ขนาดนีท้ทีนี้ครคาดหว่าโยมที่แบบจําจไก่ได้ตัวนี้ว่ามันเป็นไก่มันมีลักษณะอย่างนี้นะจําตัวเดียวเท่านี้แหละจะไปร้ายจะหวั่ก็ไปพบขั้นชนิดนี้เมืันกนอย่างเดียวกัวเป็นไก่ตั็เป็นอย่างนี้แล้วก็จําเออนี่ยใจเปลี่ยนตัวไก่ไใจเปลี่ยนตัวไก่เนี่ยมันแน่เข้าไปอย่างนี้เมื่อเรานั่งไงมือไม่เสียหวังไม่จช า, าวาควรเรา ผมรู้อันนี้มันเกิดขึ้นมาแล้วเราไปกลั ว, วแล้วเราไปแก้ตรงนี้ยังหมดอันนี้ลักชนันต้องทําไปแล้วปัญญาจะไปเกิเดเกินทีหลังจ่คอยพินใจพิจารณาเรียงองักษะของตรงไหนตรงแก้ของมันไปอย่างนั้นหน้าที่ของปฏิบัติสมาธิเนี่ยเมื่อก่ออย่าไปไม่ต้องพิจารณาอะไรมากเนี้ยถ้าเราทำจิตให้มันเป็นหนึ่งลมเข้าลงออกในรู้จักในรู้จักใรู้จักว่ามันออก ให้ทันมันให้รู้จักเรามันเข้าบางทีมันพบองไปอย่างอื่นได้อยู่กําหนดใหม่บางทีมันล้มลงนะเข้าออกเข้าก็ไม่รู้ออกก็ไม่รู้เพราะว่าสะติมันมีอยู่นี่เลยไหมเมือ่อตั้งสติขึ้นมาอีกกลำนดขึ้นมาใหม่หันใจเข้าไปหาใจออกเนี่ยเรากำหนดมันออกเป็นอย่างนี้เข้ามาเป็นอย่างนี้มันออกเป็นอย่างนี้ขึออ้นนีก็ขเข้าเอาตอนนี้นะเป็นต่อไปเอาอย่างอื่นนะวัน เช่นว่าการงานคนหนึ่ให้ท่านจากกระโจนไปนี่มาใปนี่อีกหนึ่งนาทีกว่าจักมาไปนี่อีกหนึ่งนาทีก่อจักมาไปนี่อีกหนึ่งนาทีก่อจักหน้าที่ของท่านจะต้องทําจะต้องทําเท่านี้ในขอบเขตนี้ก่อนไม่ต้องไปคว้าเอาหนึ่งมาอีกมันต่องไปอย่าไปวุ่นวานนั้ไปใจเรื่องเราใช่ไหมจนกว่ามันชานานสักหนึ่งนาทีจักมาไปตรงนี้เออถึงแค่เที่ยงมาไปตรงนี้ มีเท่านี้่ะหน้าที่อันนี้จํากัดตอนนี้ให้ทําเท่านี้อันนั้นต่อเมื่อแต่เราทําไปคิดไปเรื่อยๆไปลวมให้เสริมมันเสริมันมาผ่านมันมันจะเลือกถึงเรื่องอะ้เกิดขึ้นมาผูกยึดแต่อเอาจับตรงนี้มาวังตรงนี้จับตัวมาวังตรงนี้อันนี้ให้มันได้แต่ก่อนอ่เนะเรื่องที่หลังนั่ น, นะถ้าอันนี้มันสงบแล้วอันนั้นมันสะแจ้งทีหลังนี้มันยังไม่สงบต้องต้องรู้ระรับ ทำหนที่คุณพอว่านะครับเร็แล้วเรารู้สึกลมันแปกไปคือคาดว่าถ้าเรานอนนะครับเนี่ยเราหงบลมหาใจอย่างที่ว่าเนี่ยครับเร็แล้วที่ตัวเรามันมันจะลอยเบาไปอรี่มันจะเกิดรู้สึกแตงนี้เราก็ตกลงมาเมื่อ้เรานอนที่เีม่่อันนั้นกกินแล้วไม่ใช่เรื่องของเราไมใช้เรื่องให้รูด จิตเรเป็นยังไงในเวลานั้นเท่านั้นไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่รู้จิตของเราเท่นั้นชัดเจมนมาก็หายแล้ว<อ>เราจะไปวิ่งกับ ว, วันตีดตรงนั้นนึอารมณ์แต่ว่ามันต้องเป็นในนัมั น, น, น, นเป็นลักษณะอย่างไ้หลายอย่างหลายอย่างนี่คือเกิดชุ่มสายนี่นี่ น, นี่นนนใช่แน่จะไป่วงมาเลย อ, อย่าไป่วงมาเลย มันกขนาดถ้าเราทํางานถูกไหมเราทํางานมาหลายปีเนี่ะเดืนเดือนจะไม่ขึ้ น, นอเนาะทวงไม่ได้ทุกเหมืนนั้นแหละ <laughs> เราทวงไม่ได้ทุกเหมืนนั้นแหละเ <c oughs> นี่ยอย่างเนี้ยเออที่เนี่ยถ้าเราพยายาเออไอความดีอยู่ที่ทํางานของเรานะครับอยู่ที่ทําความดีความชอบอยู่ที่การกระทําของเราแล้วก็ตั้งใจทําของเราเรื่อยไปในลักษณะอันนี้เพราะนั้นแหละทีนี่ ก็ตั้งใจทำเคารพในการงานของเจ้าของนะเด็กเป็นความดีมันก็เกิดตรงนี้จริงจริงชะมวงไปคิดหว่วยเมื่อไรเนาะทำงานรายจริงในเดือ น, อ น, นอยนื่นไม่ใช่ทุกธนูวุ้นไม้แล้วละมันเป็นเช่นนี้เพราะอะไรมหนเป็นสมบุรุษไม้เชื่อเพลิงมาอยู่ในไม่ไฟมันมีไฟอยู่ในนั่นธรรมดาถ้าไมจะเห็นไฟเราเอาไม้ไฟไม่ไฟสองเอสียงมาสีเข้านี้นสีเข้าไปแต่ไฟมันมีอยู่นะ แต่เราแต่เรามาทำไปเรื่อยๆใความขี้เกียจมันเกิดขึ้นมาฮะเอยังไม่ถึงไม่มาถึงฝั่งอย่างนี้รถไฟตรงนี้แล้วตรงนี้มันไปแเพราะว่าอความร้อนมันสมรุนกันไฟมันก็ไปเกิดแล้วคนนี้จากไปไปเจอนี่มันเป็นแค่นี้เดียวพระทิบัติไปถึงเหมือนมันก็เป็นอย่างนี้ตามความร้อนมันสมรุลกันก็เกิดไฟกันจริงๆไม่ไปอย่างนี้ได้ไหมความขี้เกียจขึ้นมาเแลยกว่าประมาทเกิดขึ้นมาแล้วนั้น บางทีก็บางทีก็เสียไฟเป็นฟวันเปิดขึ้นแล้วเป็นฟวันแล้วแต่ยังไม่มีไฟแต่ ไ, ไอตัวนี้มันขี้เกียจเต็มทีแล้วมันเหนือ่อยเลยปล่อยมันไปเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นไม่ถึงไฟมันก็ไม่มีไฟก็นึกว่าไฟไม่มีในตินาถาคนนี้ไปเช่นนี้เป็นต้นนี่ลักษณะนี้ตรงนี้ลนกษณะปฏิบัติธรรมแอดทนทำกรงเกียรติดตอ่อ อยาเผลอด้วยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนพอดีเป็นต้นให้มีสติอยู่เสมอเลยทีเดียวถึงแม้มันไม่สงให้รู้มันมาเราทํางานแมาอยู่บนโต๊ะเราทํางานอยู่ก็เหมือนกันเมื่อกินที่ราณีมันเป็นอย่างไนเมื่อกินอันนี้มันถึงก็ให้รู้มันไม่ก่อนเถอะมารู้มันอืออันนั้นเป็ของไปแน่นอนคอันนี้เลยของเปแน่นอนเลยด้วยเราไปเนี่ยเรอกดางคืนมาด้วยทํางานมาแล้วก็ทําทำธรรมฐานรักมันก็ง่ายขึ้น ถ้าราปลอยกระทั่งวันกระทั้งคืนในรูปเรื่องอะไมันเ็ยากลำบากมันต้องพยายามติดต่อตามเรื่องอย่างนี้ะตรงตามเรื่องตามเรื่องของเราที่ต้องการนั้นพยายามทําการงานอนั้นในมันสม่าเสมอที่เราต้องทํานั้นให้เครพหน้าที่การงานของเราสรรท้ความพอใจอวิริยะวามเพียรจิตตะเอาใจฝักไฟ วีมังสะก็ติดต้องในเหตุผลที่เราจะต้องทํานั้นอยู่เสมอเรื่อยๆไปอันนี้อาศัยการปฏิบัติอันนี้ต้องใช้ประโยชน์พยายามความเพียรในมีสติตรง น, นี้มันเป็นอย่งงางนั้นปฏิบัตินี้มันต้องมันคลายๆกับว่าไอ้ครั้งแรกนี้มันก็ไม่รู้เรื่องนะเพื่อนง่ายๆนะไม่รู้เรื่องนะครับไม่รู้เรื่องคุณงายไม่รู้เรื่องมันจะเอาไงกนนันเนาะ อันนี้ถ้าถ้าหากว่าเราได้อบรมเช่นนี้เราก็มีความรู้เป็นขนาดนี้มีความรู้โครงการจําชื่้ย<ะ>ิตอย่างนี้เแต่ว่าจิตยังไม่เป็น<ะ>มีความรู้ขนาด น, นี้เท่านี้ทีนี้อธิปจัจจังจะรู้โดยตัวเดียวนั่นเป็นต้ตนมันรู้ไปแปลกนี้ี่ไปไม่จะรู้อย่างนี้อันนี้เรียกว่าความจําอันนั้นเรียกว่าความจริงเออ มัน่มันมันเป็นอย่างนี้แล้ว อ, องปฏิบัติเนียอย่างนั้นท่าปฏิบัติทำไมท่านชอบชอาไปนป่นปาท่านชอบไปอยู่ภูเขาท่านชอบไปอยู่ประชา้าท่านชอบฉันมือเดียวรือสองสามวันทำฉันทีน่นนอะไรเงี้ยเป็นทไมเสียไปงั้นก็ถามาอะไรีทุกอย่างอยู่ประชามันเเงี้อยู่ภูเขาเนเนงี้นอยู่หลายคนอย่างงี้อยู่คนเดียวเป็นเงี้ย มันจะรู้จักหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยีเดีฉะนั้นแต่จริงเสแสงหาหาตรงนั้นอาจจะหาไม่ไม่รู้จักมันเออย่างที่ว่าเสียงมันคว น, นแล้วแล้วคนนี้เสียงเรื่อยไปนึกว่าเราจะหาความสงบไม่ใช่เออทํำไมั้งนี้มันไปเพราะว่าเสียงมันควรอยู่ที่นี่แล้วคนนี้ไปทนานี้ไม่ต่อมากมายแต่ความจริงเราไปกวนเสียงถ้าเราหนีไปฉะนั้นไม่ใช่มันมันจะหนี้จากความสงบนะ ไม่ใช่วันนี้จับความวนายไปหากวามันวายเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนไปนั่งตรงนั้นมีเสียงเกิดใหม่เขาวนวายอยู่แล้วเอนี้จากนั่นไปอีกไปมีเสียงเลยพอสงบไปตรงนั้นมีเสียงอีกเขุวนวายอยู่แล้วเน่ยเพราะเรารู้แต่ความจำไม่รู้ความจริงตามเป็นจริงของมันทีนี้มารู้ตามความเป็นจริงมาแล้วนะเราจะอย <ock> ู่กับเสียงเสียงก็อยู่กับเรานั่นมันจะมีอะไรมันจะเป็นคนได้อย่างหรือเราจับเราโลาจะคครว่าไอ้นี้ยเออ อย่างอย่างวัตถุเนะี้ยเราจะยกขึ้นมามันหนักมันหนักนรยกขึ้นมารู้สิหนักแต่เราวางมันก็ไม่หนักนี่มันหนักเพราะอะไรเนะพราะเราไปยกมันมันก็เลยเกิดน้ำหนักขึ้นมาถ้ า, ากว่าเราปล่อยลงไปทําไมมันถูกเบอเพราะเราไปยกมันเรื่องแค่นี้นะพดูดง่ายๆนะเรื่องที่เราไปยกมันเรื่องอุปท า, านว่าเสียนปวนเรานะ่ย มันก็วุ่นวายแต่เราไปคิดเช่ดนั้นทีนี้อันนี้เรายกมันขึ้นมาหรือไม่ยกมันน้ําหนักมันคล้ายก็มันมันมีกิโลหนึ่งนี่มันมีกิโลเดียวนะร้าปล่อยมันไว้อยู่มันก็หนักกิโลเดียวแต่เดีเราไปหนักเพราะเราไม่ยกมันน้ำหนักมันก็ไม่หายไปจรงไหนก็อยู่ตรงนั้นแหละอันนี้ก็เหมือนกันเิดนนั้นนะถ้าเราไปยกมันทำไมถึงพอเราไปยกมันมันก็หนักเพราะนนี้มีน้าหนัก ถ้าเราไม่ยกนั่นนี้ไม่นักไม่เราก็ไม่หนัดเสียงนั้นแต่เราบ่อยเช่นั่นแหะมันก็มีโดนเราเพราะเราทำไม่ได้ยิดมันมันก็อยู่อย่างนั้นอันนี้เนมันพลิกกลับนะมันพลิกกลับมันพลิกมันพลิกกลับตรงนี้คือคือเรียกว่ากว่าจะแยกออกมาได้เออนี่เนี่ยเรียนน่นนี่นี่ว่าเรียนตรงเรียนฉะนั้นถ้าจะต้องไปอยู่ป่าฉันจะต้มัดน้อยฉันจะต้องทั้งโบสถ์ฉันจะหนุปมาน อะไรที่จะไปดีในระอดทนได้ท่านไปทํามบนั้นท่านไปทําบบนั้นมันทุกข์ไปทำแบบนันทุกข์ถ้าทุกข์กันมาแล้วมันถ้าทุกข์กันมันไม่เกิดตัวคิดถ้าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์มือนม e, ันไม่เก yes mm ิด hmm. ต mm ัวคิดมันสุขมันสบายไอ้ความสุขความสบายนี่นะพาเราสิดกิเลสมากกว่าที่มันทุกข์เพอทุกข์แล้วมันหาทางสุขไม่ต้องหาหรอกมันสบายสับสบายสนิท เช่นนี้อ <Like> ย <this sound> like like like ่างอารมณ์เช่นนี้เป็นต้นอารมณ์นี้ก็เรียกว่าเป็นอิทธารมณ์อารมณ์ที่ปรารถนาอย่างนี้อานิฐารม์อารมณ์ที่ไม่ปรารถนาอารมณ์ที่ปรารถนาคือเราชอบอารมณ์นั้นอารมณ์ที่ไม่ปรารถนาเรียกว่าเราไม่ชอบมันอารมณ์นี้มันก็มีอยู่งั้นแต่เมื่อความเป็นจริงเนี่ยอารมณ์นั้นมันก็เสมอไปมันมีน้าหนักเพราะเราไปชอบมันเท่านั้นหรือไม่ชอบมันเท่านั้น ก็เพราเราไปเกี่ยวข้องกับมันถ้าเราไปชอบมันแล้วกอารมณ์นั้นไม่ีถ้าเราไปชอบมันก็บวอารมณ์นั้นไมดีก็เพราเราไปเกี่ยวข้องกับมันน่ะเดงไม่ใช่อื่นหรอถ้ามันอยู่ตามสภาวะคอามมันไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีดีมีชั่วต่อมันแล้ยึดมันใช่แล้ก็ไปยุ่งใช่ไปยุ่งกับมันนี่เรื่องเรื่องใจมันเรื่องตัวยุ่งตัวเนี้ย คือมันไม่เป็นมันมันไม่ทํางานตามหน้าที่ของมันมันไปเสือกเอางานเข้ามาทำจ้ะไปทํางานคนอื่นเอาใช่ไหมมันเป็นเช่นนี้แต่ว่ามันมันมันมันยากที่คนจะมองเห็นได้มีทางเดียวคือทางปฏิบัติเท่านี้มีทางเดียวเท่านี้เช็นวันเราคิดเอาคิดก็ได้นบมันจะได้ปรเกรมคิดเดาคนจะโปรแกรมเดาเราแต่ว่ามันก็ไม่จริงมันไม่เหมือนความจริง ท่านที่เนี่ยสัจจะธรรมทุกขสัจสัจจะธรรมธรรมอนั้นคือความจริงถ้ามันหมดความจริงถ้าไปเห็นความจริงเนี่ยปัญหามันก็หมดเช่นเช่นเชคิดเองอันนี้ถ้าถ้าหากว่าคิดได้อย่างอาตะมาว่าเนี่ยเสียงเนี่ยถ้าคิดได้เช่นนั้นจริงจริงเดี๋วปัญหาหมดเสียงมันตกหมดมันจะเสียงดังก็ไม่ดังผ่านเลยมั้เนี่ยมันต้อง ไออ้เจตีมันต้องแทงมาถึงที่สุดของมันเลยฝันเลยที่ที่สุดบลิบวนิกันเนี่ยแต่นี้มันพูดง่ายฟังง่ายแต่ทํายากครับมันเป็นงี้ฉะนั้นท้าวว่าไอ้ท้าวว่าอย่างนี้ท้าวว่าไม่ปฏิบัติอย่างนี้ธรรมะก็ไม่มีอํานาจธรรมะจะต้องมีอํานาจอย่างนี้ถ้าธรรมะไม่มีอํานาจ เมื่อคนถึงธรรมะก็อำนาจไม่มีท่านเกว่าผุุ้ชนอริยชนอย่างเรานี้มันจะเกิดมาจากไหนละ่ะถ้าเป็นผู้ตุชนก็ธรรมดาเราถ้าเป็นอิ ร, อริยชนนะ่ะมันก็พ้นจากธรรมดาเราเนี่ยก็เพราะอำนาจธรรมะนะั้นมันสูงเกินไปนะจนที่พระพุทธเจ้า สรรเสริญทางกิตติสวัสดาสกิทาภาอนาคาอารหันคนี่มันเปลี่ยนมาได้เช่นนี้เพราะอำนาจทำมามันสูงขึ้นไปด้วยเรื่อยๆอยากพุทธชนขึ้นมาเป็นอริยชนอย่างนี้เป็นต้นก็เพราะอันนี้สมมติว่าอย่างที่คุณพอว่าเนี่ยครับท่านแบ่งกปนขั้นสติขานามีอะไราขานามีจดิาาาามถือวรหันเนคือว่า ไอ้ขั้นต่างๆเหล่านี้นี่เป็นยังไงครับพี่ขั้นต่างๆอันนี้เรียนชั้นจากชั้นหึขึ้นขั้นต่อขั้นต่อขั้นมมีหลักสาตรเรื่องไหนเนี่ยมันหลักสูตรยังไงก็หลักสูตรที่นี่อะกหนดลจิตของเรานะที่นี่นะเราเคยเป็นเด็กมาไม่แต่ก่อนเัากิด่างนี้นะเกี่ยวกับเป็นชั้นชั้นชันนนี่เอาวันที่หมืนเรื่องสมมุติกันขึ้นมาหรอกเนี่ยแต่ความเป็จริงมันไม่เป็นชั้นรต่มันเป็นอาการเฉยๆใช่ไหมย่างเราเป็นเด็กกราเคยเล่นุูกโป่ง ชอบใจเรื่อเงินคิ้วข้าวเราไม่ไม่คิดมาแล้วทุกวันเนี่ยเคยอยากจะเล่นลูกโป่งไหมเหมือนเด็กอะทําไมเป็อ่ะนี่มันชั้นหนึ่งแล้วเนี่ยนี่มันเป็นอย่างเนี้นี่ทนายจิตเนี่ยก็เพราะว่าธุระหยางอึดมันยิ่งกูดูโป่งแล้วลูกโป่งมันหมดกระคาแล้วมันมีราคาจะเป็นเด็กคนนั้นเนี่ยเนี่ยมันก็ไปกันอย่างเนี้ยนี่ถ้าพูดมันเป็นชั้นแดงเป็นชั้นมันเป็นวัตถุ มัก็เปลี่ยนเปลี่ยนเมื่อความมิ่มันถูกต้ อ, ตอมันก็เปลี่ยนไปด้วยเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเรื่อน ม, มันมันไม่มีอะไรเงียคําคที่ว่าชั้นนี่แนะมันเป็นอ่ามันเป็นคําพูดของคนสมมุติขึ้นมาเนี่ยแต่ตามาไม่สอนอย่างนั้นสอนแค่ ว, ว่าอย่างแต่ก่อนมาเนี่ยพอถูกอารมณ์พุ่งก็โกรธฮัดเลยีเดียวถ้าไม่ชอบใจโกรธเลย <Okay. S 2> ทีนเรามาเรียนเท่าไหร่ความโกรธนี่มันเป็นเพาะอะไรจะทำไงมันถึงจะหายได้ครูมาอาจารย์ก็มาสอนไปไอ้ความโกรธเนี่ยมันไม่มีคุณสักนิดหนึ่งมันเป็นโทษอย่างนั้นแหละแต่พยายามสอนเรามาบ่อยบ่อยเรื่อย <Yeah. S 2> แล้วเราก็จําไว้เมื่อโกรธขึ้นมาเมื่อก็เป็นทุกเ <Yeah. S 2> มื่อโกรธขึ้นมาเมื่อก็เป็นทุกทุกทีเลย <Yeah. S 2> แล้วก็เห็นโทษมันที เมเห็นโทษมันแล้วก็กลับมาพิจารายอดหาธรรมะอันนี้เราคิดไม่มีเรื่องอะไรนันะที่เกิดขึ้นมาโทษโทษขึ้นมามันมีอะไรไหมมันได้มันที่แต่ทุกข์เท่านั้นแหะทุกครั้งน่ะไม่มีดีนะตัวโมีแต่ทุกข์เั้งนั้นนี่โทษนี่โทษถ้าเห็นโทษ้องกองโกรธกลับมาพิจารณาอันนี้เป็นเด็นพ่ออันมีความโกรธขึ้นมาเพราะว่าผิดหวังเออเห็นไหมผิดหวัง อย่างเราบอกอลูกเรามันยกอันนี้มาให้ฮะมัวิ่งกระปาเลยนะครับเท่านี้โกแล้วมันใช่ไหม<ะ>มันเป็นนี่เดี๋ยมันผิดหวังเราเท่านี้แหะอารมณ์เท่านี้เป็นกิดเลสเดี๋ยโกรธขึ้นมาเลยทีเดลสแล้วรนะู้จักไอะรความโกรธมันเกิดมาอย่างมันเกิดมาจากความผิดหวัง<ะ>เท่านี้นี่เราก็รู้จากเขตยของมันแล้วก็พิจารณาได้ว่ า, เ, าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนั่นนะ่ะ มันเรื่องเป็นธรรมราของมันอยู่อย่างนี้เองบางทีก็ได้ตามปรารถนาของเราบางทีก็ไม่ได้ตามปรารถนาของเรามันก็ต้เปลนอยู่อย่างนี้ตลอดวันตายเนี่ยถ้าเราไม่พิจรารณาใหม่ถ้าได้สิ่งที่ปรารถนามาแล้วรีบใจถ้าไม่ได้สิ่งปรารถนามาแล้วก็เสี <BR. S 1> ยใจมันก็ทุกข์ตลอดมื้อเกิดถึงวันตายเลยถ้าเราอยู่อย่างนี้เ <avi. S 1> นี่ยมันเป็นหนึ่างนั้นก็โทษมัน พอเราเห็นโทษมันอย่างแล้วห็นแล้วแต้องคอยบัรเทาค่อยบัรเทามันไปเรื่อยๆอะไรพานันรเทาเพรามันมีโทษให้เข้าใจว่าทารหาทุกอย่างถ้าเราไม่เห็นโทษมันละมันไม่ะด้แล้วปฏิบัติไปนั่งสมาธิจิตสงบที่ไหนมันจะเกิดปัญญาค่อยเห็นโทษในสิ่งที่มันเป็นโทษเรื่อยๆเรื่อยๆไปแต่คนที่ยังไม่รู้จากทางละยังไม่ไายก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกัน ที่นี่มันจะเป็นนไซต์ต่อไปที่มีมริเวณระยะเด็กตอนก่อนมาถูกกระโดดแล้วมันโคตรเลยนเดียวนี้มันยับกันได้น้อยลงไปเศ้าลงไปน้อยลงไปตัณฑ์กินาก็ดีขึ้นมาพลาดอีกโดดนก็ไม่เป็นทุกไมาเป็นทุกข์มันเกิดประโยชน์ที่แล้วทั้งเราทําความเพียรไปตัณฑ์กนาเรื่อยไปเมื่อมันจมรุ่นมันเมื่อไรเป็นต้นมันก็เบามันก็ไปในรูปแบบนี้มันเกิดจากการปฏิบัติแล้ต้องปฏิบัติเรื่อยไปไม่ใช่ว่า เรามานั่งเดียวนี้ให้ซมกเดียวนี้มันโกดเดียวนี้เป็นตนสำรับมันเดียวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นอ่ะเราต้องรู้เรื่องของมันเสียก่อนต้องพยายามยากไม่ใช่ของยากนะว่าโกรธว่ามันไม่ดีแล้วนี่แต่ว่ามันเอย่างดีนะคือเราไปบอกมันนั่นแหละชอบของไม่ดีนั่นแหละโดยวยังทิ้งมันไม่ได้ขนาดมันโกดทุกทีมันก็ทําให้เราทุบตุกทีขนาดนั้นเรายังไม่เห็นโทษเลยเคยกินนี่เป็นตนแล้วตอนนี้ถ้ากินโรค้ะสาดแล้วมันจะมีพลังกิน ละงับทุกอะไรทุกขนาดทุกอย่างไม่มีทุกยิดไม่ทุกมันรับตัดปัญหาเลยทุกอย่างสิ่งที่ธรรมะนั่นนะละงับทุกไม่ได้ไม่มีถ้ามันถึงที่สุดมันนะอย่างเรเอาไม้ไฟสองที่มาสีไฟเนี่สีจนกระทั่งไมันเต็มที่จนความร้อนมันสมรุนกันจนไม่มีไฟไม่มีตรงนี้นั่นเราเข้าใจแค่ น, นี้ ออแล้วเรื่องเนีอย่างธรรมะนี่สันติใจให้ปฏิบัติปฏิบัติเพราะว่ามันมารวมในจุดธรรมะทุกอย่างมันจะมารวมมอยู่ตรงนี้คล้ายๆแบาใครจะดีในานไหนกว่าช่างมันเถอะเกิดแล้วบนที่สุดตอนเราตายดวงทำเนี่นออธรรมะนี้มันได้กว่าพุทธาศาสตร์ไอพวกเราจะเรียนาศาสตร์อะไรมาตั้ช่างเอยทุกๆาศาสตร์มาเรียนดูมันทุกทุกาศาสตร์ แต่ว่าจะสมมูรวมในพุทธศาสตร์ยอดของศาสต์ใช่ยอดขอกศาสตร์ทั้งหลายถ้าไม่มารวมในนิมิตศาสตร์นั่นในตัวปูณให้เดือดร้อนให้เกิดโทษในตั้งนานศาสตร์ทั้งหลายนีไม่สมบูรณ์ถ้ามารวมในพุทธศาสตร์เนี่ยนิศาสต์ทั้มบูรณูอย่างที่เราเรียนกันมานี่แหละเรียนกันมาเน่ยเรียนศาสตร์ต่างเรียนมาเรียนมาเรีย น, ายนมาเรียนมาแต่ว่ า, วามรู้ไม่มีมันมีความรู้แต่มันรู้แป่ไม่รู้ มันเป็นโลกีดีใสมันก็รู้สามเรื่องของมันไปหมดแต่มันรู้ไม่ถึงรู้มันรู้ไม่ถึงทีนี่ทางมันรู้มาทั้งนี้มันเป็นทางโลกุตระอทางโลกุตระหามาแล้วโลกีอีกปันไปแปดทางนี้ต่างคนต่างต่างลงมาอย่างไรโลคีน่ะอ่าได้นานิกาเรเดืนอนพอมออกจากปยละใบไม่ตามกันพุทธศาสต์ก็หามาได้ โลคีก็หามาได้โลพุทธรจสหาไม่ได้สมเรันมันมีความรู้ไปทางโรคีไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญามีปัญญาแต่ว่าปัญญาโรคีนี่น่ะยังไม่พ้นาก่คนลือสาสตรทั้งหลายทั้งปวงที่ลกเขาเรียนเลยเนี่ยไม่ใช่ว่ามันไม่ดีแต่มันดีไปทางนั้นอแต่ว่าศาสตร์นั้นมันทั้งห้ือมันเปียบเสียใจโรคพุทธะนี่พุทธศาสนานี่ยน่ะมันม่มีเสียทางนี้ มันไม่ดีเนดะียร อ, อเพราะว่าไอความเห็นมันยิ่งหย่อนกว่ากันใช่ไหมว่า เ, อ เ, อเรื่อง เ, ออเรื่องโลกียมีสายนั่นน่ะเรื่องศาสต์ทั้งหลายนั่นน่ะมันก็ยืนยันว่าอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันมีราคากว่าอ น, นั้นอันนั้มีราคากว่าอันนี้แค่ว่าพุทธศาสนร์ีเห็นอะไรมีราคาเท่ากันเห็นอะไรมีราคา มันได้มานี่ไม่มีราคาเท่านั้นถ้ามันเสียไปมันจะมีราคาเท่ากันเออโลกีรีดสายของเราที่ศาสตร์ทังหรถ้ามันเสียไปเราน้อยใจถ้ามันได้มาเราดีใจนี่มันตามกันอย่างนี้เจ้าเห์กันน่ยคือทํำไมมันเสื่อมเงนมันไม่รู้ตามปีจริงของส่างขานมันตึงเป็นอย่างนั้นทิศศาสตร์ทั้งหลายจริงมารวมพุทธศาสตร์เป็นยอดของศาสตร์ทั้งหลายที่ยว่าพุทธศาสตร์นี้ตัดปัญหาไะไหลายๆอย่างคือทุกเรื่องเกิดมาไม่นาน อย่างเช่นว่าแสนตะเกียงมันมันมันดังฟีดฟีดเนี่ยศาสตร์ทางหลายลำคาญแล้วแต่พุทธศาสตร์ไปลำกันอีก้เนี่ยมันมีความรู้อย่างนี้มันมันมีไปคนใดทางมันยิ่งหยอดกว่านั้นเอออย่างนี้ แต่แบบอยู่ในโลกนี้แล้วก็มีแต่ดีใจเดี๋ยวก็ใจก็ขึ้นมาแบ้วันนี้ตรงนี้เอาได้ลงมาอีกแล้วออกมาลุ้นขึ้นไว้แล้วลงมาอีกแล้วนี่เป็นอย่างนี่ในความันตาแห้ะนี่มันเป็อยู่อย่างนี้แหละเรมันเป็นอย่างนี้คือมันเห็นของไม่เสมอกันมีเห็นของไม่เสมอกันมันมเห็นแต่ของสังขารอันเดียวกันพระพุทธเจ้าตรันบอกว่าเรื่องที่เราให้เรามีปัญญาจะทําไงท่านในกำหนด ทำสมาธินี่แล้วถ้าเห็นอารมณ์มาท้นทุอย่าง <fun ut> ทัานบอกอารมณ์ทั้งหลายนั่นน่ะมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิมิตจังไม่เที่ยงเท่านั้นว่ามันจะดีขึ้นมาก็รู้จักว่าดีอยู่ดีนี่มันก็ไปเที่ยงแต่บอกมันลายไอ้ของไม่ดีนี่มันก็ไม่ดีนี่มันก็ไปเที่ยงอย่างโกรธโกรธขึ้นมามันก็ไม่เที่ยงมันก็หายไปได้ไอ้ความดีไม่โกรธขึ้นมามันก็เกิดขึ้นมามันก็หายไปได้ก็เป็นอย่างนี้ ถ้าเราไม่รู้จริงทั้งสองอย่างนี้มันก็วนเปนกันไปอยู่เีืเ่อยมันเกิดเช่นนะั้นเช่นว่าคนเราธรรมดาของเราให้ของได้มามากๆก็เรืยกว่ามันมันเกิดสบายใจ<ม>ออนน ก, อนนก็อันนั้นก็มอันนี้ก็มีอันนั้นก็มอันนี้ทําให้สบายใจในอไรเหมกันถ้าเราคิดไม่ถูกออ<ม>ไม่เป็นพุทธศาสตร์เด่๋ยไม่ได้ทุกข<ม>์ไม่ใช่ว่ามันส่งขเพราะได้มามากๆไม่ใช่ว่ามันทุกข์เพราะไม่ไม่มีของ ไม่ใช่อย่างนั้นมันทุกข์เพราะความเห็นผิดมันสงบเพราะความเห็นถูกวัตถุมันก็เป็นวัตถุของมันเองมันเป็นส่นี้ฉะนั้นพุทธศาสตร์อันนี้ธรรมะนี่ริงแก้ปัญหาในทุกชนิดมันจะน้อยก็แก้ปัญหามันได้มันจะมากก็แก้ปัญหามันได้มันเป็นสิ่งนี้มันจึงทรงตัวอยู่ได้เห็นีไอ้ความเห็นนั่นเองะ ปรับปรุงให้ใจิตใจเขาเนี่เขาไม่ตรงนั้นเิ็นั่นซ้มาที่ิดคนนั่นเนีมันก็ไปเขาไมได้อันนี้คนก็สนใจนะสนใจหนาเรื่องปฏิบัติก็บ้างแห่งก็ต้องมามาทำในหลายยานเรื่อง ป, ปฏิบัติเนี่ยอยากจะพ้ทุกข์กันแล้วบางทีก็สวดมนในหลายอย่างเงี้เอาอันนี้มาสวดเอาอันนั้นมาสวดให้มันให้ให้มันหมดทุกข์เป็นย่างนี้เป็นต้นอันนี้มันก็เรื่องสวด มันจะต้องรู้เรื่องเข้าใจในการสวดนั่นคืออะไรมันเพียงแตเป็นแต่ว่ามันก็ระงับไปหน่อยนั่นนะอย่างเรยธรรมดานะาจะออกจากบ้านไปไปลาผ้าดัดสวดมันึก่ถึงพุทธประพุทธก็ดีใจนะนี่ไม่ใช่ว่ากันไม่ดีการสวดมนกระธาให้คนดีใจได้เหมือนกั น, ตนแต่ว่ามันยังไม่ถึงอันนี้ก็เป็นเหตุที่พุทธชนเราพุทธวิจารก็ต้องขวดทำเป็นเบื้องแรก นี่ก็ให้พอ่อพงศุลเนี่เพราะว่าในเวลานี้ในฐานะเชนีต้องต้องเป็นอยู่อย่างนี้ต้องควรทําอย่างนี้มันไปสืบุตรได้เช่นว่าเราเดี๋ยวนี้รู้จักเลยว่าเราบวชนี่มันดีอยู่หรอกถ้าเราไปทําเดี๋ยว่าบัดนี้เรายังไม่บวชจะทําไงล่ะมีครอบมีตัวมีหน้าที่การงานจะทําไงเนี่ย mm hmm. มันก็อยู่กระรูปตระหลานมันอยู่กระจิงกระของอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้น เนีย่ยมันละมันไม่ได้เมื่อมันละมันไม่ได้เรื่องการสวดมนต์ต้องส ว, วดเรื่องารทำเรื่อทำทำไปทำไปตามตาหน้าที่ตามกำลังของเจ้าของไม่ใช่ว่าเราไม่ได้บวชจบนันเป็นเรื่องของพระการปฏิบัตินั่นการสวดมนต์ธรรมวัดอันนี้อย่าคิดไปอย่างไงเลยบางคนเลือกใ็คิดว่าพูดที่ท่าพกบวชแต่พูดไม่เอาหรือพูนี้เอ้ยเป็นยูนี้เนาะนี่คือตำขูดของคนไม่บว ถ้าคนที่จะบวชถ้าคนจะเป็นธรรมะไม่ต้องบวชอยู่อย่างนี้ก็ได้แต่เรามีสติชาปัญญารักษาภูมิท้องเราอยู่อะไรมันผิดมันผิดมากเกินไปเราคงมไม่เอาผิดจะเลี้ยกจะนวดเพราะว่าในหน้าที่อันนี้เราจะต้องทำเมื่อก็ต้องทําไปแต่วก็ขอเอาไปในใจจะบว่าวชทําอะไรมามันผิดก็เห็นว่าอันนี้มันยังผิดอยู่อันนี้มันยังผิดอยู่เสมอนี่มีก็นคนที่ปล่อยไว้ี่ ดีคนเคยมาถามมาตมาเหมือนกั น, า น, นาถามอไรจยาแล้วพ่อจะปฏิบัติธรรมะจะทำยังไงเป็นปฏิบัติธรรมะไม่เอาอะไรกันไปเขามารบเอาว่าอะอย่างอาศัยธรรมะอยู่รายเดือนะมันจะมันจะรออยู่ไอ้ดีโดยมากนะาหารเป็น่าามาไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมีคิดอย่างนั้นอันนั้นมันนอกนอกแนวของธรรมะ บอกแล้วครับสอนธรรมปณเจ้าของเราอ<ม>เช่นว่านายกกับนายขออย่างเนี้ยท่านจะสอนท่านจะสอนคนสองคนนี่ท่านจะสอนอย่างไรท่านจะต้องสอนว่านายกอย่าไปทำนายขอนะมีเรื่องธรรมะตรงไปตรงา่านายขออย่าไปทำนายกนะนี่ตรงไปแล้ว ถ้าหากว่ามันเป็นอย่างนี้จริง ๆ, ๆนายคอไม่ไปทำนายขอนายขอไม่ไปทำนายข อ, ม, ม, ขอมันก็เรียบร้อยจริงๆไม่มีเรืเ่องอะไรเกิดขึ้นมาเอาเ อ, เอนี่นี่ธรรมะแต่ตอนนี้ไม่ใช่ว่านายกอนต้องมัดต้องมัดสอกไว้ให้ในายขอไปตีคนเดียวถ้านายพูดอย่างงั้นปัญหานี้เพิ่กจะเกิดขึ้นมาทินี่ยมันนอกคิวนอกแน ว, วของธรรมะแล้วนะเพราะมันไม่ใช่ธรรมะนี่มันเป็นโลกมันเป็นโลก ผมก็ต้องทําไปตามโลกอันนี้บ้านของข้าจะมาเผาวาดไมได้เลยเอ้าจะต้องเอากันแหละมันเรื่องโลกไปทำํำไงในทางที่ดีแต่ว่นายก็จะเป็นเผาวาดในคอก่ะนายข อ, นะย ก, อก็ยังมาเผาวาดนายกนะนี้เรื่องทำมามันก็ไป่มีเรื่องอะไรอันนี้นายกพาไปเผาวาดนายอยข้อยู่ไม่ได้ไม่ก็นั่นนี่มันจะเป็นอย่างไงแต่ผมมันมาไหมล่ะ มันมปนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่มันถินธรรมานี่เนี่ยมันนอกแนวเราจะมาตัดสินในธรรมาของพระพุทธเจ้ามันไม่ได้หรอกอันนี้คนยนนี่นี่มันต้เป็นอ่านีจะยังเออเออว่าถ้าว่าตามตามธรรมะนี่มันอันนั้นพระพุทธเจ้าจะตัดสินไม่้เราเป็ะสารที่นความเียที่เป็นเฉพากนะเน่ยมันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันนั้นยังเป็นโลกอยู่ ถายังเป็โลกอยู่ไงล่ะเอาในขอขอวาดในขอในขอเขอวาดในคอยยืดเยื้อไปอันนั้นมันโลคกันไหมล่ะจนเป็นนมนานตาเละมามันก็เป็นมามีโลคของเรามันเป็นโรคมันมีโลคมันมีโปรดมันมีหลงมันเข้าใจผิดมันสําคัญผิดอยู่นั่นนีมันก็พูดผิดคิดผิดทำกิดมันก็มีอยู่เรื่อยคนหนึ่งไม่เป็นมืนอ็คนหนึ่งเป็นมันเจ้าเป็นตลอดนเวลาะือเป็นอย่างนั้นจนยุ่งแต่แล้วพอมันต่อ มีใคได้อะไรครับวุติสุจน์จะขอโชคกันด้วยเป่าแต่มันมันมันจะเป็นจะต้องโชคมีมันก็เรื่องความอย่างนี้แต่ว่าธรรมะมันก็มีหลายอย่างมันมันมันมันมีหลายชั้นนันนั่นนั่นเละชั้นอันนึ่งมันจบที่ว่าอันนี้คือมันจบเลยเรื่อมันจบถ้าเรื่องมันจบแล้มันเข้าลงมานมันเข้าลงมา เช่นว่าการกระทำบาปเป็นคนก็อย่าทำจริงๆมันหนักเน่เช่นว่าเอาพูดง่ายๆซะชาวนาเราก็อยู่นาทำผักทำปลาเป็นอาหารก็ในฐานะอยู่นี่ก็รู้อยู่ว่าปลานี่มัน่าปนเลยด้าการเช่นว่าที่ทำไงเราเลยได้เสื้อาอย่างนี้ เราอดปัญญาเรายิ่งเป็นก็นีน้ไปมีนรับกรรมตับปลาไปอีกคนหนึ่งไปเอาปาเนส่าเขาอีกบากก็นี้อีกนะ <c oughs> นี่มันเป็นอย่างนีเอาปลาเนส่าเราบาปไม่บาปเนี่ยไม่มากอะ่าไร <c oughs> ไปเอาปลาเนส่าคนอื่นไม่ได้บากยิ่งกว่านี้แน่มันก็ต้องเป็นอย่างนี้มันผ่อนระยะเนนั้นมันอยู่ารงนีน้แต่ว่ามันก็มีผล น, นะ มันก็มีผลดีเหมือนกันคนว่าปลาในสระจะ่เขากินนั่นก็ไม่มีโทษอะไรทํานขายน่องมานะไม่จะไปยุบตัวเรื่อยๆมันมป็นปีชนะโทษทาปานานี่มันบาสนะแล้วไปจะมองเห็นแล้วไปยุบตัวลงไปเรื่อยๆมันมันมันเท่าลงไปถ้าคนเนี่ยปลาในสระเราก็หมดเอาของอื่นไปเรื่อยไปอันนี้มันเพิ่มกําลังเปไปเรื่อยๆมันไม่ยุบตัวนี่อย่างเช่นว่าเราทํามาหากินอยู่มาเรายังเป็นหนุ่มเครอบครัว ทำไมนี่ยในโลกเนี่ยก็ต้องว่าต้องตีน่าเหตุผลมันให้มันสมควรใหญ่ต า, าแบกางานเป็นหนักเกินไปแ ต, แต่ว่าทิงท้งทิ่งตัวแบกต้นไม้มาบอกว่าจะทิ้งอยู่จะทิ้งอยู่มันจะทิ้งมันอยู่อย่างนี้เป็นผนไอ้ทาความชัว่วความผิดมาทางกายทางวาจาเราเนี่เยเรื่องมันผิดอยู่จะทิ้งอยู่ด้วยแต่มันทิ้งไม่ได้แล้วนึกว่าจะทิ้งอยู่เมื่ อ, อไรจะทิ้งอยู่อย่างนี้ อันนี้ก็เรียกว่ามันจะมีวิทางไปได้มันมีหลายอย่างเชอะอย่างเช่นจะพูระอูฆ่ากันไปกันหมดทั้งเนื้อเกิโลกแล้วก็มันก็โมดตอนนั้นแล้วอูวายกันเลยอย ก, กินอะไรัำถ้าเราคิดแค่ น, นี้มันก็ลำ บ, บากนะอย่างชานะเขาทำปาัทำตากินไ ป, าาปาาเป็นบาปไหมก็ <laughs> บ, บาปจะต่างไงอ้าวทำไมผมไม่ไม่ได้ฆ่าตาจิตมันก็ตายอ้าวอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นเช่นว่า ถ้วยกระไก่ในบ้านเรามีไหมมีครับมาจากไหนเอ่อแกทําถ้วยกระไก่ไม่เป็นครับได้ไมาอย่างไรล่ะนั่นมันก็ไปอีกพวกนั้นคนมีปัญญานะ <c oughs> นญญา เ, นเนี่ยปัญญาอะไรเนี้ยอย่างคนตัว <c oughs> อย่างคนตัวคนมามันกินข้าวเป็นอาหารตัวคนอย่างเนี้ยมันเลี้ยงมาตัวมาพราข้าวเนี่ข้าวมันเกิดมาจากไคมาจากคนทํานานะอย่างงั้นก็มีแต่คนทํานาเลยกินข้าวจากนี้ไม่ใช่ ผมตัดเสื้อผ้าอยู่ไงไรเนี่ยจะกินเสื้อกินผ้าเลี่ยคไม่ใช่จยางนั้นผมกูกินข้าวมันการนี่มันมาลงมันอยู่ตรงนี้ปัญญาไอ้คนที่ไม่ฆาดสาตร์เนี่ยเขาต้องมีปัญญาคนจะเอามีเหตุผลของออกคนนายอย่างคนตัดเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ทํานาเนี่ยนะเขาก็ไปตัดเสื้อแบบน่าแลนาของเขาเนี่ยเขาก็ไปซื้อข้าวสารมากินมข้าวทีหนึ่งดีไม่ดีผลทนะานาจะมีกินมข้าวดีเพว่านั่นเลยกระโนกรนมันเรื่องอย่างนี้เกิดมาผม เขาไปหค่าสัตย์จะกินน้อยอันนี้มันเป็นความคิดของเรานี่เราไม่คิดของเราไม่ใช่ยังเงินคนละคนก็ต้องทำงากันคนละคนอนนี้เด็กแหวกความคิดความคิดารณาของเราสมมติเราจะไปซื้อนะฮะหลวงพ่อเมื่อค่าสัตย์จะเป็นบาปเวล า, เ, าเราไปซื้อร เ, รเราใช้วิธีเลี้ยงเพื่อไปซือออ้อก็เมือนกับสนับสนุนให้คนกินคนทาบาปนะ คล้ <Das S 2> ายๆเหมือนกันเจ้าว่าเราตั้งใจสนับสนุนไหมนี่มีเหตุมาเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเออนี่ได้ดีนี่เ ร, ร, เรื่อคนมันคิดผ่านไปแล้วจะตั้งไปเสื้อปลาตัวนี้มากินจะตั้งใจนั่นมันจะรับค่าปลาได้หลายเราไม่ได้คิดไปถึงนั้นหรอกเราไม่ได้คิดนัน<ต>ไ้ได้คิดถึงเงินแต่ผลมันเป็นอย่านั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าก็ไม่เป็นกิตจะไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเรื่องเจตนาตัวนี้ เออเจแปนมันจะเป็นเป็นปํานองนั้นเออมันไปอย่างนั้นเรื่องมันจะไปอย่างนั้นแต่ว่าเราให้มันไปเราอยู่ตรงนี้เจตนาเราเราลงตรงนี้อย่างนั้นผมมันก็เลี่ยราดไปหมดไม่มีมีมีมีวงจำกัดมันก็เป็นธรรมชาตินี่นะมันมีหลายอย่างมันยั ง, งมันยังมีหลายอย่างไม่ใช่น้อยนะเออมีหลายอย่าง มีมดเป็นอย่างนี้สารพัดอย่างเป็นติจูดสุดจบลงมหาที่สุดในทางล่างมันมีเรื่องที่จะต้องปฏิบัติถึงนะั้นเดี๋ถ้าหากว่ารเรามีปัญญาเราควรแก้ไขไปตามเรื่องดาถสมบางคนก็ไปคิดถึงธมมรรมะละไม่สบายใจเลยเราเอาไม่ได้เคิดว่ามันจริงยากเลย ถ้าเรามาใช้ความคิดักนิดหนึ่งว่าเราจะออกจากมันได้อย่างนี้ก็ต้องพยายามเมื่อตอนมีชอ่องอันนี้เราไม่ค่อยคิดมันคอยพิจานณาแต่ต้องยอย่นี้อะไรคือเราไม่ปฏิบัติอันดีมันต้องปฏิบัติอันนี้มันคือเรื่องมันเช่นว่าคนคนหนึ่งสอบเข้าไปเจ้าของอะได้มากมายแล้วแต่ว่าถือผลอระพฤติการประโถ ง, งอยู่ตอนเช้ามาตอน ตอนเช้ามาตอนเย็นมาอะไรถ้าเขาไปกราบข้าเนี่ยแบบดีใจอย่างเราอยู่บ้านเลยแต่งเนื้อแต่งตัวจะไปทาาปาําง า, ากนก็ไปกราบคข้าขอเมตตามีกาคุณคุณคพรท่านบอกว่าเท่านี้มันก็อธิษฐานใจเราสบายแหละนีส่วนนี้มันจะได้ผลแม่ทันได้นสิมันก็ได้ได้เฉพาะนนั้นได้ได้อันนี้ก็หากว่า ก็เรายังไม่ได้ไปบวชนี่เดียวทาไงก็ตรวจไม่ได้แล้วก็ทาอันนี้ไปอันนี้ก็เป็นบุญเป็นนิตใจเป็นปันจจัยอะไาทไปนานๆนี่คนที่สุดลูกเราจะมันมองดูนะ่นพ่อแม่ทาอย่างเนี้ยมันจะถ่ายทอดมูลมรรคเนี่ยให้ลูกเติบโนาที่นี่เมื่อต่อไปการงานใดในวัยเรามันครอบแล้วก็แก่ไปเรื่อยๆไปกาลังใจตัวอนวลาเวินเรอเรงินเร่เวลาเรน่งเวลาเ่นอลารนวานานล่วาอร นี่เราทำมาแล้วเลยเป็นดิสัยไปนานดีที่พระพุทธเจ้าสอนว่าให้ความดีน้อยหนึ่งอย่าเพิ่งว่ามันไม่ดีนะเมื่อมีโอกาสทำต้องทำไอ้ความชั่วนี่ทําให้สําคัญในน้อยที่จะจะว่างมันเป็นบาสนะจะไปทำมันทํามันไม่จับติดเช่นว่ามีมาแมลงไ ม, ไม้ตัวหนึ่งมันวิ่งมา เอาแสไปเคียดมันตายเด่นเฉยเฉยเนี่ยบาปไม่น้อยขนาดนกกีจะทํามันมันไม่สมควรที่จะทํามันก็ไปตามเรื่องตามราวตามไงไม่มสมควรอีกอย่างนึงอันนี้มันเป็นอาหารเราอ่ะมันเป็นอีกอย่างนึงนะเป็นอาหารเราอีกอย่างหนึง่งแก้ว่ามันไม่บาปเลยมันก็บาปเหมือนกันแต่มันดีก็ไปฆ่าเด่นเฉยเย เราต้องเราน้อยใจน้อยไปพูดทุงยอนลงมาก็ต้องเป็นอยู่านะั้นปฏิบัติเ็นอย่างน้อยก็ต้องมีให้ใจเราสบายหรือคนอื่นมองเห็นเราก็ให้ให้คนอื่นสบายใจไปด้วยกันเราทั้งหมดเลือกทั้งโลกเลยนะหว่อกขเราศรรึกษาจาก ตัวอย่างอ่านหนังสื <c oughs> อ อ, อ่านแม้แต่ตว่าเราพอเข้าใจว่าเรื่องโน้นมัทมีความผูกนีสภาวะนั้นเราพยายาที่จะไม่อยากร่ า, าอะไรพยายามที่จะไม่โกรธอะไรพยายามที่จะไม่เกลียดอะไรนะพอเสร็จแล้ววิปัสสนาี่จะมาช่วยตรงไหนครับา <c oughs> วิปัสสนาสมมติว่าจะมาปฏิบัติเลยครับแ <c oughs> จะมาช่วยตรงไหน <c oughs> มาช่วยตรง <c oughs> มาช่วยจงมันเห็นโทษมันเอง มันเห็นโทษมันมันก็เลิกกันแหละเห็นเห็นชัดเห็นชัดก็พอใช่ใช่เห็นจนเลิกได้ละเห็นจนจนมันเลิกได้ล่ะมีธรรมชาติมันอย่างนี้เห็ดจนมันเลิกอันนั้นได้มันละอันนั้นนไะเช่นว่าเอาเด็กๆเราลูกเราไม่รู้แต่คนหนึ่งก็นั่นเอาไฟเอาไฟตะเกียงเอาไฟเทียนแล้วไปจุดไปตรงนั้นมันไม่รู้เรื่องไงไม่เด็กว่าเราเนาะ มันก็คานกข้าไปแล้วมันจะไปตะกุกไฟแล้วก็ดึงคนไหว้ติ้งว่ากับใครมันตะคุบไฟมันร้องไห้เลยมันร้องไห้มันอยากไปตะกุกไฟเละเนี่ยมันร้องไห้เลยแต่ว่าพ่อแม่เรารู้ร่วงหน้าไม่าไฟมันจะไหม้มือมันมันร้องไห้มันมันจะไม่ไปจากมันร้องไห้ความเห็นมันต่างลันขนาดนีอีกวันหนึ่งแล้วเอาอยตามเรื่องมาเถอะให้มันไปตะคุบออกไปสูสวรรค์เนี่ย แ อ, อ่มันไหม่เลยไอ้มันร้องวันหลังเอาปวามันไปหาจุดไฟเลยปาไมันไปมันเห็หนโทษจาเป็นวานมันไม่เ้วแทงแ้ก็มไฟได้ซะนันแหละนี่วีปัตนามาช่วยตรงนี้ไปเห็นจริงๆมันเห็นจริงนั่นแหละัือจริงน่าจะเห็นยางันไม่ใชอมาเห็นตลาดแต่มันเห็นจริงๆมันก็ร้ายจริงๆอะอะไรยังไม่จริงมันก็ล้าไมจริงมันก็อยู่อย่างนั้นนะอันนี้ ธรรมะนี่ต้องเปรียบจย่นี้ต้องเทียบอย่างนี้ถ้า ม, มีที่เปรียบเป็นเทียบนี่พูดไม่ได้เพราะธรรมะมันไม่มีตัวเหมือนคนมีเหมือนรูปพระพุทธเจา้ารูปพระพุทธจเจ้าจะ ม, ม, ม, มีเป็นปั้นรูปแต่ก็ยังมองๆอย่างนี้คิดตัวธรรมะไหมเราไปเห็นรูปธรรมะเป็นเป็นปัดก็ปั้นแด่มีก็ปัดนการทำแต่มีม้ยพระสงฆ์ก็ยังมีรูปนะ พระธรรมนี่ใครจะไปปั้นตรงไหนเห็นไหมไปดูวัดอะไรมีไหมรูปประธรรมมันเป็นยังไงถ้าเราไม่พูดเปรียบเทียบมันไม่เห็นธรรมะก็ธรรมะไม่มีตัวมีตนแต่มันเกิดกับใจของเราแม้แต่ตัวโรคเกิดขึ้นมามันก็ไม่มีตัวแต่มันมีโรคในใจเราแต่มันมีโกรธขึ้นมาในใจเราแต่มันก็ไม่มีตัวแต่ว่ามันมีอยู่อันนี้เรียกว่านามธรรมฉะนั้นจึงปั้นรูปไปได้ ต้องการอธิบายทำรรมาึงใช่อุบายต่างๆในหลายอย่างประกอบมันตั้งใเข้าใจทีนี้มันจะหลบเลยครับผมว่าครับเนี่ยผมว่าเราเข้าใจนะครับว่าไอเดียถ้าหลบอย่างนี้มันเป็นมันเป็นฟุบนะอย่างว่าไม่ได้อย่างใจเสร็จ แ, แล้วมันไปฟุบเสร็จ แ, แล้วอมันไม่เอาตรงนี้นะครับมันไปเอาอี่ส่งอื่นะีเอาตรงไหนนะครับมันอันเก่าอะไรแหละ มันไปเอามปนมันมันไม่ชอบตรงนี้แต่ไม่ชอบตรงนั้นไม่เอาครับไม่มดลูกเดิยังลูกประนเขาว่าเริเงินเ่ององใช่เรืองเราไม่โลบเราไม่อยากเราไม่วยไปลกผลเล่นกลม้าก็ไปเล่นกลม้าอยา่จะสะสมวยม้าใหญ่เลยทีเดียวครับตัวเก่ามันแหะครับคนเล่นพระก็ไปหันหาพระอีเดียวเเล่นพระพระอะต่างเล่นเรียญละไางก็ไปทางนี้ก็หลบเหมือนกันใหญ่เป็นก็โลบเหมือนกันใช่ไมก็เป็นครับ ถ้ามันคิดไม่ถูกเดีวมันเป็นมดอ่ะเออเราต้องจํำให้มันได้นะเออขึ้นชื่อว่าไก่แล้วนะเราจะไม่ถูกมันละไปใจไหมไปพบในจังหวัดอันไหนเขาเรียกว่าไก่ถึงนั้นเราจํามันได้แน่นอนโดยทีเดียวแ่ะมันจะเป็นพันอะไรมันก็ช่างมันนี่ไก่เราจําแล้วมีใครว่าอันนี้เป็ดหรอกแล้วไม่ใช่อนี่เราต้องจําได้ขนาดนี้มันจะไปโรคอะไรก็ช่างมันเถอะมันไปขโมยหมูเข้ามาเนี่ยมันเป็นโรค ทีหลังมันไปขโมยไก่เขาเงี้ยมันจะไม่เป็นโลกด้วยมันก็ตัวนั่นแหละตัวมันเขโมยหมูก็มาตโมยไก่เนี่ยมันก็ตัวเดียวกันมันไปไม่ได้แล้วไม่ไปไม่ได้เขาไปไม่ได้มันเป็นไปเนีไม่ได้แต่ตักหากว่ามันเป็นอย่างงั้นเนี่ยมันไม่คินเชิงเออปรมาตรงน้อาจมันไปเกาะตรงนี้สิได้นั่นแหละแล้วตัวไอ้ดูดเงินไปความเป็นกินกับคนตัวเดียวกันนั่นแหละคนคนเดียวกันแต่เราจํามันไม่ได้ั เรารู้ไม่ชัดต้องรอบรู้ปัญญาคือความรอบรู้ถ้ามันรอบแล้วมันจะไปที่ไหนนะนานยังไรมันรอบรู้ปัญญาคือความรอบรู้ตามเป็นจริงนี่หลักของมันมันจะไปตรงไหนล่ะเออมันจะไปเลยปัญญาคือความรอบรู้ตามเป็นจริงเออมันจะออกตรงไหนเนี่ยมันรอบแล้วมันจะไปตรงไหนมันรอบอยู่แล้วมันก็จริงแล้ว แต่เราก็ตามไปเหมือนกันะเอ๊ะทไมสมมตเราไม่ต่อการตรงนี้ได้แต่ทไมมันเอ๊ะมันออกมางนี้เราอนนี้เอ๊ะทไมมันขึ้นมานแหละเป็นยังไงล่กมันแน่ไหมเนี่ยศึกษาอีกเรต้อง่ศึกษาอีกแฟนมันใช่ใช่ไหมใช่ไหมว่ามีแมลงไหมที่มันกลายมาเนี่ย ให้ยมมาเกิดโขนครอบกันสิมันจะออกตัวไหนนี่ครับมีมันรอบตัวไปอยู่แล้วมันกลัวยันนั้นในไปที่นั่นเดียวว่ามันรอบนะถ้ามีช่องถ้ามันไม่ช่องโยมมันโตไปมันจที่สามโตไปได้นี่เพราะมันไม่รอบตัวร์กันี้ถ้าเอาครอบมันแล้มันมีที่ไปมันก็อยู่ตรงนั้นแหละมันตายตรไหนไอ้คตรู้เรามันชัดเกียนอ่างนั้นมันไม่มีที่โผล่อไปแล้วตัดไปเรียกว่าอ่า ปัญญาเรียกว่าวิชาคํทาที่ว่าวิชาแหละมันก็หมดอาวิชาถ้าว่าวิชาคือความรอบรู้มันก็หมดความไม่รอบรู้นี่มันเป็นใจอย่างนี้จ้ะอันนี้มันเป็นปัญหาเร า, าเสนอไปเฉยเวยหรือเปล่าถ้ามันไม่รู้ตัวนี้มันหลับถึงมันไปเอาตรง น, นั่นนันก็ตัวเก่าแหละมันก็เรื่องเกา่าของมานาันอะคนคนเก่า ไปไม่ได้ครับถ้าเราเรมันจะแล้วมันเรา ร, right? รู well. ้มันจะต้องไปครับดีอาจจรมากระช่อกสุดตาดีกว่าที่เราตามตามมันดูนะครับผมก็ไม่ได้ไม่ได้ปฏิบัตินะครับเอ๊ะทำไมเรารองอะไาตรงนี้เอาไปตรงนี้ครับแล้วเห็นคนที่ เลื่อนโค้งหคนที้รู้จักมา่อกี่เลยนะแกไปเอาตรงนี้เสร็จแล้วทำไมไปเล่นตรงนี้ไปเล่นตรมนั้นไปเกิดไปเจออะไรเนี่มันก็เหมือนกับโลกเหมือนกันหรอกใช่มันก็ใช่ล่ะมันมีช่องรอดไปอยู่นะข้า็ไม่ห ย, ย, ยนันหยันถัดตัวเราไปครอบแมลเงเนี่ยมันมีช่องไม่ยอมตข้ไหนนะอันนั้นมันมีช่องโหวจ่จนโหวที่ตากไปนั่นก็อยางกฎหมายนะ นัดกฎหมายจะต้องหนาที่ที่ว่างของกฎหมายนะมันมีช่องเยอะเอาที่จับโคลไปตรงนั้นแหลยครับเ <laughs> นี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยนี่เนี่ยคนรู้เชี่ยวชาญกฎหมายต้องแก้กฎหมายอันนั้นไม่ใช่แบบคนรู้กฎหมายตามเป็นจริงนะเนี่นนะนะไม่รู้เดี๋ยวก็จานไปหมดแล้วมันมีช่องนี้พลาดจัโค ต, ตรงนั้นหลยเนี่ยไม่ใช่คนปฏิบัตินะไม่ใช่คนรู้กฎหมายนัเนี่ย แต่มันดูในลักษณะนั้นแหละมันดูจะกินเจ็บโกมจะเอาอยู่นั่นแหละมันดูอไม่แช่มันดูรอบอย่างนั้นมันมีรอยอย่างนี้มันเยอะไปหรอกเยอะไปอย่างคนมามามาทํำสมาธินี่คนจังหวัดทิศเกตเคยมาสองสองคนแก่มามามาถามเรื่องสมาธิแต่มาจะมาโยมมาหลายวันมาจะมาก็ไป่ได้ถามเรื่องทำสมาธิมันเป็นนะ รักษาดินห้าอะไรหรือเปล่าจริงมาทำสมาธินี่ได้ครับธรรมดาทำไงหยุดทอดแหหรือยังยังครับโอ้ยย <laughs> ังไปทอดตรงไหนก็ว่า เขาไ ป, ไปทอดในสาสตรของเขาเพราะว่าไม่มีบาปนี่ขนาดนี้มันยังจะมาทํำสมาธิแล้วใช่ไหมไ ม, มันก็เข้าใจไปประค่าปลาในศาสตมันจะเป็นบาปไก่เนี่ยมันจับมาในเล่าของมันน่ะคนาเรก ว, ว่าเขารักษาสีลได้เขาเห็นมันสิจึไปเอาบุญไปหนึ่งนี่ขนาดนี้ขนาดปลายังไงจะมามาทอดแหย่ยังยังไม่ได้ขนาดที่พวามหมิ่นผงโผลเขาเห็นมานิดเดียวเท่านั้น ก็มาพังทังทิศก็จะถามาอ๋ออภารเนศของตัวเองตัวบาปเถออ้าวก็ทำงานแล้วนี่เดียววาเขาปเป็นคนภาวนาเหมือนกันน ะ, ะแต่หว่ามันไม่ถึงตรงนั้นมันเห็นอย่างว่าจะเอาตรงไเอาสักคนหนึ่งต้องเอาสาของเราก็ได้ อ, อันนี้เดี๋ยวคนรู้ไปรอบพอไม่ใจไม่จัดในจําพวกนี้